มงกุฎไพรเล่มสามตอนที่สองสความเงียบขนาดเข้มตกก็คงได้ยินได้ปรากฏขึ้นยังบริเวณห้องโถงกลางอันเป็นที่ชุมนุมของคนหมู่มากนั้นอีกครั้งมันเงียบจริงๆและทุกสายตาของฝ่ายแช่ถาเองขณะ น, นี้ต่างจ้องเขมงมาที่รพินไพรวัน เพราะตระหนักแน่แก่ใจมานานนักหนาแล้วว่าในระหว่างอดีตร้อยตารวจเอกตะเวนชายแดนไทยและร้อยโทกองโจเกรเรียงผู้เป็นทั้งคู่ปรับและเพื่อนตายคู่นี้ตลอดเวลามานั้นได้มีอาการลองเชิงหักเหลี่ยมเฉือนคมกันมาโดยตลอดและไม่เคยปรากฏว่าใครจะหักใครลงในกรณีที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าขณะ น, นี้ทุกคนล้วนใจเต้นระทึกไปหมดเพราะในครั้งนั้น ครั้งที่จั ก, กรราชประทานดวงตราประจำองค์มอบไว้ให้ระพินก่อนที่พรานใหญ่จะทูลลาเป็นครั้งสุดท้ายนั้นทุกคนก็ล้วนมองเห็นและได้ยินคำพูดระหว่างสองฝ่ายตลอดเวลาถ้ามาดแมนว่ายามถูกทวงถามเอาซึ่งซ่งหน้านบัดนบัตินี้หากระพินไม่อาจนำเอาตราประจำตัวของสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกรกคร ที่มีติดพระองค์มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยและได้ถอดออกมามอบให้แก่เขาผู้นั้นไปด้วยความรักไว้วางใจสนิทเป็นเครื่องแทนความผูกพันซึ่งกันและการสูงสุดมาแสดงให้เห็นต่อเฉพาะพระภักดและต่อหน้าประจักษ์พยานทั้งหลายที่เคยร่วมรู้เห็นอยู่ศักดิ์ศรีและสิ่งที่ระพินเคยแสดงไว้ให้ประจักษ์ตลอดเวลาว่า ระหว่างเขาและแง่ท า, ายนั้นมีความรักผูกพันต่อกันมากที่สุดอะไรจะเหลือไว้อีกแง่ท า, ายจะต้องเสียใจมากทีเดียวและระพินจะแก้ตัวว่าอย่างไรไม่มีใครคาดฝันมาก่อนจริงๆว่าแง่ท า, ายจะมาทวงตราประจำตัวเอากับระพินในยามนี้เหมือนจะเป็นการขอพิสูจน์น้ำใจของบุรุษที่เขารักเสมือนพี่ชายร่วมสายโลหิต ถึงขั้นมอบดวงตราประจำราชวงศ์นั้นไว้ให้เป็นเครื่องหมายต่างหน้าเตือนระลึกซ้ำอีกฝ่ายก็ยังรับปากว่าจะเก็บติดตัวไว้ทุกขณะสำหรับดารินนั้นถ้าแม้ว่ายามนี้ดวงตราของแง่ทรายซึ่งมอบให้แก่รพินไปบังเอิญมาอยู่ที่หล่อนในขณะนี้แล้วก็หล่อนคงจะรีบยื่นส่งให้และคงจะช่วยพูดแก้สถานการณ์ไปให้ได้สารพัดอย่างแต่นี่ มันไม่ได้อยู่ที่หล่อนและหล่อนก็ไม่ได้คิดว่าระพินจะมีติดตัวอยู่ในขณะนี้หน้าของหล่อนเริ่มซีดเชษฐาอนุชาและชัยยันก็เริ่มกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขระหว่างรอคอยวินาทีสำคัญอยู่นั้นโดยสีหน้าเรียบเฉยตายด้านเป็นปกติของเขาอย่างที่ทุกคนเคยเห็นจอมพราเกร็ดบุรี่ออกมาจากซองที่เพิ่งได้รับจากอนุชา ยัดใส่ปากคาบไว้ด้วยอาการช้าๆระหว่างที่ลวงซิปโป้ก็พูดต่ำตำในขณะที่ริมฝีปากยังคาบบุหรี่อยู่ว่าแกเป็นผู้มียานอันวิเศษเหนือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาหูทิพตตาทิพ์ทุกสิ่งทุกอย่างรู้เห็นได้หมดไม่ว่าฉันจะเคลื่อนไหวทำอะไรอยู่ที่ไหนยิ่งกว่าแม่มดวาชิกาในครั้งนั่นเสียอีกแล้วแกจะมาถามฉันทาไมว่าดวงตาของแกอยู่ที่ไหน ฉันว่าแกรู้ดีอยู่แล้วว่าฉันเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรหรือว่ายักย้ายถ่ายเทขายหรือจำนำไปให้ใครแล้วเงียสายสันศีสะไปมาเช่มช้าแต่ยังยิ้มในลักษณะแย่เคี้ยวอยู่เช่นนั้นยานของผมจะเพ่งมองเฉพาะสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อชีวิตความปลอดภัยของผู้กองหรือนายหญิงเท่านั้น แต่จะไม่เพ่งมองค้นหาไปในสิ่งประกอบเพียงเล็กๆน้อยๆหรือมองลึกเข้าไปค้นหาวัตถุองค์ประกอบอื่นๆที่ผู้กองมีติดตัวด้วยหรอกผมขอเน้นอีกครั้งดวงตาประจำของผมที่ผู้กองรับปากจะติดตัวอยู่ตลอดเวลานั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนโปรดแสดงให้ผมเห็นประจักษ์ต่อหน้าทุกๆ ท, ท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้ด้วยถ้าหากผู้กองรับผมจริง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 ดวงตานั้นมีค่าสูงมากการติดตัวในระหว่างเดินป่าอาจทําให้เสี่ยงต่อการสูญหายได้นายหญิงรักและเป็นห่วงผู้กองอย่างแท้จริงข้อนี้พิสูจน์ได้ชัดอีกข้อหนึ่งในการที่จะพูดเพื่อปกป้องผู้กองไว้เพราะนายหญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้กองเอาตราประจําตัวของผมไปไว้เสียที่ไหนแง่ท า, ายพูดลึกปลายหางตาไปทางนายหญิงอย่างชื่นชมคารวะ แล้วเบนกลับมาจ้องเขมงที่หน้าตายของรพินอีกครั้งแต่สาหรับผมยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าที่อ้างว่ารักผมนั้นผู้กองรักผมเหมือนอย่างที่ผมรักผู้กองหรือไม่โดยจะเอาแง่เอาเชิงเพียงแต่คำพูดที่ฉันได้ตกปากรับคำกับแกไว้เท่านั้นเองหรือในอดีตที่ผ่านมาคาพูดทุกคาของผู้กองมีค่าเพราะมันทรงไวซึ่งสัจจะแน่นอนเสมอ เดี๋ยวนี้ผมต้องการทราบว่าผู้กองยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่ารัพินไพรวันไม่พูดอะไรอีกเลยขีดไลเตอร์จุดบุรีอัดควันลึกระบายออกทางช่องจมูกช้าช้าแล้วสอดมือล่วงเข้าไปในเสื้อเดินป่าด้านในของเขาสิ่งที่ทุกคนมองเห็นก็คือไท้ยเล็กๆดำเกือบจะเป็นผ้าคีริ้วแต่ถักด้วยเส้นเชือกที่เหนียวแน่นทนทานยิ่งซึ่งดารินจาได้ดีว่า ในท้ขนาดเท่าซองบุหรีนั้นนายพรานของหล่อนมักจะเน็บกลัดติดอยู่กับอกเสื้อด้านซ้ายซ่อนไว้กับตัวเป็นประจำและหล่อนรู้ว่าท้ใบนั้นจะเป็นที่เก็บเครื่องรางของขลังของเขาทุกชนิดตั้งแต่เศษงาช้างกำจัดเขี้ยวหมูตันหนังหน้าผากเสือไข่นกเป็นหินขึ้นไปจนกระทั่งพระเครื่องรางและไหวยเศษไหว้ลากลูกนิมิตของอาถรรพ์ต่างๆ เพราะตามปกติแล้วเขาจะไม่นิยมนําเอาเครื่องรางของครั้งประจําตัวห้อยคอแขวนไว้แต่จะบรรจุลงในไท้เน็บกระดเสื้อที่ใส่ในแต่ละครั้งเมื่อควักออกมาได้แล้วก็ขยายปากไทายที่ทําเป็นหูรูดออกด้วยอาการเรียบๆ เ, เป็นปกติเอานิ้วสองนิ้วแหย่ลงไปในปากไท้ใบนั้นอึดใจเดียวก็คีบเอาวัตถุสิ่งหนึ่งขึ้นมา สิ่งนั้นถูกพันหุ้มมิดชิดจนมองไม่เห็นว่าภายในคืออะไรด้วยเชือกสายสินลักษณะของมันเป็นแผ่นแบนกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วครึ่งท่ามกลางทุกสายตาที่จับจ้องเขมงอยู่ขณะนี้พรานใหญ่ใช้นิ้วที่คีบขึ้นมานั้นค่อยๆบรรจงหย่อนสิ่งนั้นลงไปบนฝ่ามือที่กำลังแบรรอคอยอยู่ก่อนแล้วของแง่ทรา ย, ส, ายสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกในคราบของแง่ทรา ย, ายดวงตาเป็นประกาย ยิ้มที่มีอาการเหมือนจะแยกเขี้ยวตลอดเวลานั้นสยายกว้างออกไปอีกเดาะขึ้นลงในมือช้าๆอยู่สองสามครั้งเหมือนจะอยางหาน้ำหนักแล้วลวงมือข้างหนึ่งลงไปในย่ามหยิบมีดแล่เนื้อขนาดเล็กเล่มหนึ่งขึ้นมาค่อยๆบรรจงตัดเชือกสายสินที่มัดผ่านไว้โดยตลอดของวัตถุนั้นขาดออกทีละเส้นพรางแก้ออกดูกช้าๆดวงตราราชวงศ์สุริยาเทพเป็นแผ่นทองคาเหลืองอาราม ประทับนูนเป็นรูปดวงอาทิตย์กำลังเปริ่งรังสีเส้นแฉกออกไปรอบด้านกระทบแสงอัจจกรับชวาลาที่ส่องสว่างอยู่รอบด้านภายในห้องนั้นส่องประกายวาวามเลื่อมระยับเงยสายชูดวงตราประจำตัวเองดวงนั้นขึ้นสูงเพื่อให้เห็นกันตลอดทั้งห้องแช่ถาชาัยยานและอนุชาครางกันกระหึ่มในลำคอ ส่วนดารินวราฤทธ์หลับตาลงเอามือทั้งสองกลุ่มไว้ที่ทรงอกพร้อมกับสูดลมหายใจลึกอย่างปิติปราบปลื่มใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปได้ทุกท่านคงจะได้ประจักษ์กับตาณนะบัตรนี้แล้วว่านี่คือสัจจะและความจริงใจจากพรานที่มีนามว่ารพินไพรวันเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาก็คือเขาและโดยสัจจะชนิดนี้แหละ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 จั ก, กราทิราชเจ้าในคราบของแง่ายประกาศกล้องไปทั่วห้องนั้นพร่านก็น้อมกายในท่าที่ยังนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นนั้นก้มศีรษะลงไปจนจรดพื้นเบื้องหน้าของระพินเป็นการแสดงความคาระวะอย่างสูงสุดรบพินยังนั่งเงียบสงบด้วยสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติระหว่างนี้ดารินแทบจะโผล่เข้ามาจูบเขาให้เต็มรักแต่ก็ติดขัดที่อยู่ต่อหน้าบุคคลหลายคน ได้แต่ทอดประกายตาแจ่มเปี่ยมล้นมาด้วยความรักส่วนชายยันชูนิ้วหัวแม่มือให้รบพินพรางหัวเราะร่าออกมาร้องทักไปทางแง่ายว่าเป็นไงแง่ายรบพินไม่มีวันเสียท่านายได้หรอกนายจะงัดเขาอย่างไรก็ไม่มีวันงัดได้ลงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจริงครับนายทหารชายยันไม่มีวันหรอก ที่ผู้กองรถพินจะพลาดท่าเสียทีให้แกเล่เหลี่ยมเพทุบายใดๆของแง่ทรายเข้าผู้เปรียบเสมือนพี่ชายร่วมสายโลหิตของแง่ทรายย่อมเหนือกว่าแง่ทรายในทุกประการมาโดยตลอดนอกเหนือจากพ่อลุงนานอินแล้วถ้าปราศจากเขาก็จะไม่มีจั ก, กราชทิราชในวันนี้ฉันเป็นแต่เพียงคนตรงคนจริงเท่านั้นแง่ทราย ระพินเอ่ยขึ้นเบาๆไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นกับอาการชื่นชมสารเสริญของแง่ทรายตลอดจนหมู่คณะที่มีมาอย่างเขาในขณะนี้แต่ฉันไม่ได้มีอะไรเหนือแกเลยสักอย่างบุญญาบารามีก็เทียบไม่ได้เศรษฐุเลของแกก็ขอขอบใจและรู้สึกซาบซึ้งที่แม้จะยิ่งใหญ่พร้อมไปด้วยบุญญาธิการเหนือคนทั่วไปแล้วก็ยังไม่ลืมมิตรเก่า และยังพร้อมไปด้วยกตัญญูกะตะเวทิตาอันเป็นมงคลประเสริฐแห่งชีวิตสำหรับดวงตาประจำองค์จักรราชนั้นฉันก็เก็บติดตัวฉันอยู่เสมอตามข้อสัญญาที่ได้รับปากไว้และเพื่อเอาไว้ดูต่างหน้าให้คนที่ฉันรักเหมือนน้องชายซึ่งไม่คิดว่าจะได้หวนกลับมาได้พบเห็นกันอีกแต่ที่ต้องเอาได้พันไว้มิดชิดเช่นนั้น ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครสนใจเพราะเป็นสิ่งมีค่ามากและเดี๋ยวนี้เมื่อมาพบหน้ากันอีกครั้งและแกได้ทวงถามขึ้นฉันก็ขอคืนให้แกแกไปเพราะมันเป็นตราประจำตัวมาแต่กําเนิดเพื่อจะได้เตรียมไว้มอบต่อให้แกรัชทายาทของแกต่อไปในอนาคตอยู่ที่ฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะถ้าจะเป็นเครื่องหมายเตือนระลึก ฉันก็ระลึกถึงแกอยู่ในหัวใจตลอดเวลาแล้วไม่มีวันที่จะลบเลือนไปได้เลยตลอดทั้งชีวิตนี้เงซ า, ายิม้มยื่นส่งตราสุริยเทพดวงนั้นกลับไปให้รัพินตามเดิมพร้อมกับกำชับว่าผมเรียกดูไม่ใช่เพื่อจะขอคืนแต่เพื่อจะขออย่างน้ำใจว่าผู้กองรักผมจริงแค่ไหน และมีดวงตราประจําตัวของผมติดตัวไว้ตลอดเวลาเหมือนสัญญาที่ให้ไว้หรือไม่ซึ่งบัดนี้ผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าผู้กองรับผมจริงปฏิบัติตามข้อสัญญาทุกอย่างทําให้ผมรู้สึกปลื้มปิติยินดีจนบอกไม่ถูกและขอมอบให้ผู้กองเก็บไว้ใกล้ชิดตัวตลอดไปสําหรับดวงตราประจําองค์ของยุพราชหรือราชทายาทแห่งมรกรนครหากว่าจะมีต่อไปในอนาคตข้างหน้า ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ได้ในฐานะที่ผมคือเจ้าแห่งแผ่นดินนี้ผมอาจทำให้แปลกผิดไปกว่าที่เคยใช้มาตลอดแล้วก็ได้เป็นต้นว่าหน้าหนึ่งเป็นดวงตราสุริยเทพเหมือนเดิมส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นดวงตราที่มีรูปดวงหน้าของผู้กองและดวงหน้าของผมอยู่เคียงข้างกันหรืออย่างน้อยก็อาจเป็นอักขระในภาษาของเผ่าผมอ่านได้ความว่า แงสายระพินก็ได้เพื่อให้ลูกหลานเห้นต่อไปในวันข้างหน้าของผมได้ตระหนักละลึกไว้ว่าแผ่นดินมรกฏนครถูกกู้กลับคืนมาเป็นของราชวงศ์เทพได้อีกครั้งก็ด้วยการร่วมมือช่วยเหลือของวีระบุรุษจากโลกภายนอกคนหนึ่งที่มีนามว่าระพินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นโปรดรับไปตามเดิมเถิดครับผมขอดูเพื่อพิสูจน์ผู้กองไม่ได้ขอคืน ขอให้ผู้กองรักษาไว้เป็นสมบัติของสกุลไพยวันตลอดไปเพราะต่อไปนี้ในอนาคตเบื้องหน้าเป็นสิ่งไม่แน่ลูกหลานเหลนของผู้กองอาจผ่านมาถึงมรกตนครที่นี่อีกสักครั้งก็ได้พร้อมกับดวงตราดวงนั้นซึ่งแผ่นดินมรกตนครย่อมจะยินดีต้อนรับเสมอด้วยญาติสนิทไม่ว่าวันเวลานั้นทั้งผมและผู้กองจะหาชีวิตไม่แล้วก็ตาม ระหว่างที่รพินอั้มอึ่งลังเลอยู่หันไปทางเชษฐาชัยยันและอนุชาซึ่งทั้งสามเจ้านายเก่าพยักหน้ายิ้มๆลงนิดหนึ่งเป็นสัญญาณให้เขารับไว้และเมื่อเห็นเขายังล่าช้าอยู่ดารินก็เอื้อมมือมาจะรับแทนพร้อมกับบอกว่าเอามานี่แงซายฉันเก็บไว้เองถ้าเขายังลังเลอยู่เพราะต่อไปนี้ฉันกับระพินจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วลูกหลานเหลนของเขาก็คือลูกหลานเหลนของฉันนั่นแหละ เอาไว้ที่เขาอาจสูญหายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเวลาเขาไม่สบายอยู่กลางป่ามักจะมีหมอผู้หญิงที่ไม่ใช่ฉันหรือคนตัวของเขาดูอยู่เสมอถ้าหยิบฉวยไปเสียก็สูญนี่โชคดีเท่าไหร่บ้างแล้วที่เขาเอาติดตัวมาด้วยแต่ซ่อนซะอย่างมิดชิดในไถ้ดําเป็นผ้าคีริ้วใบนี้เท่าห้อยคอเอาไว้ป่านนี้อาจหายไปแล้วก็ได้ฉันไม่ได้เก็บเอาไว้เพื่อเป็นสมบัติของตัวเองหรอกไม่ต้องกังวลแต่จะเก็บไว้ให้แก่ เขาและลูกของเขาเงียซายหัวรอดเสียงดังในคำพูดเปิดเผยของดารินส่วนเชษถาชัยยันและอนุชาอันเป็นพวกพี่ชายทั้งหลายก็พรอยยิ้มพรายไปด้วยตรงข้ามกับประพินซึ่งขณะนี้วางหน้าไม่ถูกเต็มไปด้วยความกระดากและกลิ่นเกรงเพราะแม่ดอกฟ้าดารินของเขาเล่นพูดตรงๆ ต, ต่อหน้าบรรดาพวกพีๆทั้งหลายโดยไม่คิดจะปิดบังเป็นความลับอย่างใดอีก ผมอยากจะให้ผู้กองรับด้วยมือเองไปก่อนและต่อหน้าท่านทั้งหลายที่นั่งประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอให้ผู้กองยื่นส่งต่อให้แกนายหญิงเพื่อให้นายหญิงช่วยเก็บรักษาไว้ต่อไปสิ่งนี้อาจไม่มีราคามากมายนะักแต่มีค่าสูงสุดสำหรับราชวงศ์เทพซึ่งผมเคยถอดออกจากตัวมอบให้แก่บุคคลที่ผมรับเคารพที่สุดไป เพื่อเป็นสัญญาณชี้บ่งว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะทรงคุณค่าเหนือไปกว่าสภาพอันเป็นมิตรแท้ไปได้ผู้กองคือมิตรแท้ของผมตกลงฉันยินดีรับมอบดวงตราประจำตัวแกไว้อีกครั้งพระพินตัดสินใจแบมือออกรับตราสุริยเทพไว้กําแน่นแล้วยื่นต่อไปให้แก่ดารินเอ่ยขึ้นด้วยน้าเสียงที่หนักแน่นชัดเจนที่สุดคุณหญิง โปรดรับไปเก็บรักษาไว้ด้วยครับในดวงตราดวงนี้มีหัวใจของระพินและแง่ทรายผนึกรวมกันอยู่เป็นดวงเดียวกันด้วยความยินดีและด้วยความสุขที่จะรับไว้ดารินพูดชัดแจ๋วล่อนกรรมดวงตรานั้นไวพร้อมกับกำมือระพินแน่นอย่างไม่ยอมปล่อยฝ่ามือทั้งสองจึงจับกันค้างอยู่เบื้องหน้าของพี่ชายทั้งสามคนเช่นกัน ราชสกุลสาวหันไปมองดูทั้งสามชายเหมือนจะเป็นความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งโดยไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นวาจาเมื่อนั้นเชษฐาจึงเอื้อมือมากุมทับซ้อนลงไปเป็นมือที่สามโดยกำเอามือของรพินและดารินเข้าไว้ด้วยกันบีบแน่นอนุชาเอื้อมือมากุมไว้อีกคนต่อมาก็เป็นชัยยันซึ่งมันเป็นรหัสความนายอยู่ในทีว่าบัตรนี้ ทั้งสามคนย่อมรับรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างรพินและดาลินแล้วอย่างเต็มใจที่สุดมือสุดท้ายที่ร่วมยื่นมาเกาะกลุ่มด้วยคือมือของแง่ทรายหรือพระเจ้ากรุงมรกรนครครั้นแล้วเชษฐาอันเป็นพี่ชายใหญ่ที่สุดก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงกังวาลแช่มช้ารพินน้อยเธอทั้งสองคนจงรับรู้ไวแต่บัดนี้เถิดว่า พวกเราพี่ๆทุกคนไม่มีความรังเกยียจขัดข้องใดๆทั้งสิ้นและเห็นใจในความรักเด็ดเดี่ยวแน่นแฟนระหว่างเธอทั้งสองพวกเรารู้สึกยินดีและมีความสุขด้วยต่อไปนี้ขอให้พ้นเคราะห์พ้นโศกและอย่าได้พลัดพรากจากกันอีกเลยขอให้มีความรักที่มั่นคงต่อการตลอดไปชั่วนิรันดร์การเราจะไม่มีพิธีอะไรกันมากขอให้ที่นี่เดี๋ยวนี้ ตรงนี้เป็นการวิวาระหว่างดารินและระพินเสียเลยไม่ต้องรอถือเลิกถือโอกาสที่ไหนอีกแล้วส่วนจะไปจัดพิธีอะไรกันอย่างใดภายหลังมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเฉพาะพระพักของพระเจ้ากรุงมรดกนครผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงทั้งหมดก็ได้มาอยู่ณที่นี้แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่พี่กลางหรือชัยยันตลอดจนน้องชายผู้ไม่ต้องกรีดเลือดสาบานอย่างแง้าย ขอประกาศเดี๋ยวนี้ว่ารพินไพรวันคือสามีดารินวราริศคือภรรยานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรพินไพรวันตะลึงผึ่งเพลิดต่อจากนั้นเป็นระยะที่ค่อนข้างจะสับสนที่เขาจำความไม่ได้นักว่าอะไรเป็นอะไรรู้สึกแต่เพียงว่าดารินได้จูบแก้มทั้งซ้ายและขวาเขาโดยแรงเชษฐถาอนุชา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 จำได้ต่อไปว่าเขาได้ก้มลงกับพื้นกราบที่ทเท้าท้าของเชษฐาเป็นคนแรกอนุชาเป็นคนที่สองซึ่งดารินก็ลงมาหมอบกราบเคียงคู่อยู่กับเขาด้วยส่วนชัยยันนั้นเมื่อคนทั้งคู่ซุดตัวลงอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็รีบก้มตัวลงมาและชุดให้ยืนขึ้นกอดรวบเขาไว้ทั้งสองคนในอ้อมมือคนละข้างหัวเราะว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมากราบฉัน สคนที่ไปกราบน่ะถูกต้องแล้วเพราะเขาเป็นพี่ชายโดยตรงและเป็นญาติผู้ใหญ่เพียงสองคนที่ใกล้ชิดที่สุดไอ้ฉันมันเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นรัพินพนมมือขึ้นไหวชัยยันส่วนดารินนั้นกราบชายยันที่อกแล้วจูบแก้มเพื่อนชายผู้เปรียบสเสมือนพี่ชายคนหนึ่งโดยแรงบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยการอวยชัยให้พรและแสดงความยินดีต่อบุคคลทั้งสองมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจู่โจมกระทันหัน โดยที่ทั้งรพินและดารินหาได้รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนเลยไม่และแม้แต่ฝ่ายเชิดาอนุชาหรือชัยยันก็หาได้มีการตระเตรียมการใดไว้ก่อนทั้งสิ้นสาเหตุมันต่อเนื่องเกี่ยวโยงมาจากแง่ทรายได้ทวงถามถึงปราประจำตัวของเขาที่ได้มอบให้แก่รพินเพื่อให้นำมาแสดงให้ดูเท่านั้นเองแง่ทรายหรือจักรราชจะมีการเตรียมการอย่างใดไว้ก่อนหรือไม่นั้นก็ไม่มีใครอาจยังทราบได้ แต่บัดนี้ระหว่างที่คู่บ่าวสาวที่ทำพิธีแต่งงานกันอย่างประหลาดที่สุดในโลกกำลังยืนจูงมือมองหน้ากันเองด้วยหยาดน้ำตาที่คอเบา้าเนื่องมาจากความปิติสมนัตสูงสุดนั้นทุกคนหันขวับไปทางแง่ายเป็นตาเดียวกลางห้องบุรุษโฉมงามในชุดชาวดงผู้นั้นบัดนี้ยืนตระงานเต็มตัวเขายืนเด่นอยู่เยี่ยงจั ก, กราธิราชเจ้าหาใช่ยืนอย่างแง่ายไม่ และได้ตบพระหัตต์แรงๆขึ้นเป็นจังหวะช้าๆสามครั้งดังกล้องไปทั่วสิ้นเสียงเสมือนจะเป็นดุดสัญญานั้นก็ปรากฏเสียงแพร์สายและเสียงฟเท้าเคลื่นเข้ามาชั่วพริบตาเดียวทุกคนก็จ้องตลึงไปอีกครั้งริ้วขบวนน้อยๆมีจำนวนคนอยู่เพียงไม่เกิน20สิบคนได้ปรากฏตัวเข้ามาทางประตูห้องโถงแห่งนี้ดังจะรอคอยพร้อมอยู่ก่อนแล้ว นำหน้าขาบวนเข้ามาคือราชนีเมยานีในชุดแพรพันยาวระพื้นสีชมพูสลับแดงเข้มงามสง่าเป็นยิ่งนักติดตามถัดไปคือสาวสันกำนันในที่อัญเชิญถาดทองประดับอั ญ, ญมณีหลากสีสันทรงประกายวูบวาบเนื้อถาดนั้นมีอะไรชนิดหนึ่งประดิษฐานอยู่และเห็นช่วงแวบผัดผาดคล้ายช่อดอกไม้ที่กิ่งใบและช่อดอกพันกัน และตามมาเป็นแถวเรียงสองเข้ามาอีกนั้นก็ล้วนสาวสักการ์นนายอาพรสวยสดงดงามทั้งสิ้นทั้งชุดเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเงียบๆโดยเฉพาะที่พระพักของพระราชินีเมญานีพริ้มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อเสด็จนําขบวนเข้ามาถึงเบื้องพระพักของจักรราชซึ่งอยู่ในชุดของแง่ทรายก็ย่อพระวรกายลงถวายเคารพแล้วเบี่ยงพระองค์ให้เห็นถาทองที่มีสองสาวช่วยกันประคองเข้ามา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 ผู้ทรงคุณค่าอันหาที่เปรียบไม่ได้ของเขาในวาระแห่งคืนสยุมพรที่กระทำกันอย่างเงียบๆ เ, เป็นการภายในเฉพาะเรากันเองคืนนี้ขอให้คู่บ่าวสาวและทุกท่านในที่นี้จงทอดทัศนาเสว่าสิ่งนี้คืออะไรแม้จะด้อยราคาแต่ก็มีค่าสูงสุดสำหรับบ่าวสาวคู่นี้โดยเฉพาะซึ่งเขาทั้งคู่ย่อมจะรู้ความในกันเอง ทุกคนจ้องและขโมดคิ้วด้วยความงุนงงสำหรับรพินและดารินเมื่อต่างมองเห็นได้ถนัดก็ลืมตาโพรงใบหน้าของคนทั้งคู่แดงปรังไปด้วยเลือดแห่งความปิติปราบปลืม้มร่าคนมหาสัจจ ร, รใจขีดสุดช่อปักษาสวรรค์อันมีกลีบแข็งสีแดงเข้มสลับเหลืองและเขียวอยู่ในตัวเองถูกนำมาร้อยประสานเกี่ยวพันกันเป็นรูปทรงเหมือนมาลายสวมสีสั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 มีแต่ความทวินหาอาวร์ซึ่งกันและกันความเจ็บปวดความรนทดว้าเวความสิ้นหวังและลึกลงไปในความคมขืนตรอมตรมเหล่านี้ก็คือความรักความผูกพันที่มีต่อกันอย่างเปี่ยมล้นจนสุดที่จะพรรณนาได้มงกุฎดอกไม้เชิถาอนุชาและชัยยันอุทานออกมาพร้อมกันพระเจ้ากรุงมรกฎสวนเบาๆทุมลึก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 โดยเฉพาะเจ้าเบ่าหรือผู้กองรพินได้เคยนำเอาชอบปักษาสวรรค์ น, นี้มาทำเป็นมงกุฎและได้สวมประดับไว้บนยอดหินยอดหนึ่งก่อนที่จะเป็นลมหมดสติไปโดยสมมุติหินก้อนนั้นให้เป็นดารินวราฤทธิมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสมเจตนาครบสิ้นแล้วเจ้าสาวของท่านยืนอยู่ที่นี่เข้าสู่พิธีวิวากับท่าน และนั่นก็คือมองกุฎไพรที่ท่านเคยร่ำร้องปรารถนาที่จะให้เป็นรางวัลแก่เจ้าสาวของท่านในยามยากไร้อยู่กลางไพรพฤกฉะนั้นเว้นระยะเพียงชั่วครู่จากกราธิราชเอื้อมพระหตัตไปประคองมองกุฎดอกไม้ป่าอันนั้นขึ้นมาจากถาดทองคําแล้วส่งไปให้แก่ระพินรักสั่งต่อมาจึงขอให้เป็นข้อวิเคราะห์ปฏิบัติของท่านเองว่า ท่านควรจะปริษฐานมงกุฎไพรของท่านวงนี้ไว้ที่ไหนอย่างไรเชิญด้วยดวงตาอันเบิกกว้างและด้วยมืออันสันรรร่นระริกพระพพนไพรวันเอื้อมมือไปประคองรับมงกุฎดอกปักษาสวรรค์วงนั้นมาถือไว้ในมือดารินเองขณะนี้ความตกใจอจัศจรรย์ใจและดีใจต่อเหตุการณ์ทำให้หล่อนยกมือทั้งสองขึ้น มีอาการเหมือนจะป้องปิดไว้ที่ริมปากดวงตาเบิกโพรงจ้องตลึงอยู่ไปยังสิ่งที่ระพินถืออยู่ในมือเช่นนั้นทําไมหล่อนจะจํามันไม่ได้มงกุฎดอกไม้ป่าชนิดนี้ยามสุดเหงาเศร้าซ้อยหลอนเคยเอามันมาร้อยเล่นยามหลับฝันก็ฝันว่าระพินเป็นผู้สวมมงกุฎชนิดนี้ให้แก่หล่อนบนัดนี้ความฝันกลายเป็นความจริงแล้วหรือประหลาดอะไรเช่นนี้ รพินสูดลมหายใจลึกก้าวเข้าไปหยุดยืนเบื้องหน้าของดารินอย่างอาจหานมั่นใจที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกริบลงอีกครั้งหล่อนค่อยๆ ย, ย, ย่อกายต่ำลงมือพนมอยู่กับทรงอกรพินค่อยๆบรรจงสวมมงกุฎไพรวงนั้นลงเนื้อศีรษะเรากับจะมีการกะวัดกันมาว้อย่างเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมันสวมได้อย่างกระชับพอดิบพอดีกับศีรษะของหล่นที่สุด เสียงคล้องชัยกระหึ่มดังแว่วมาจากเบื้องนอกซึ่งดูเหมือนจะไม่ห่างออกไปนะักพร้อมกับตแตรสังมโหระทึกที่แว่วบันเลงแสสนันเข้ามารอบทิศทางไม่อาจบอกได้ว่าได้วางไว้ยังที่ใดจุดไหนบ้างพร้อมกันพ่วงเหล่าบุภผาระดาชาติริ้วแพรพันและสายรุง้งก็ร่วงพลูปโปรยปลายลงมาจากเพดานเบื้องบนขึ้นไปพร้อมกับกลิ่นสุคน หอมตรบอบอวลไปหมดทั่วทั้งบริเวณห้องนั้นเหมือนคนที่ตกอยู่ในอาการห้วงฝันรพินละดารินจับมือกันแน่นแล้วหันไปทางพระเจ้ากรุงมรกรนครและพระราชินีซึ่งยืนย้ำสวนเคียงคู่กันอยู่จักรราชนี่พระองค์รพินเอ่ยขึ้นตะกุกตะกับถูกต้องข้าได้จัดเตรียมพิธีวิวาไว้ให้แก่ท่านทั้งสองแล้วและต้องทาให้ได้ภายในคืนนี้ และทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จังหวะเหมาะเจาะคล้องจองกันพอดีถ้าแม้ว่าจะเป็นเล่อุบายก็เป็นเล่อุบายที่จะให้พี่ชายกับพี่สาวของแง่ทรายได้เป็นคู่ครองกันอย่างแท้จริงเสียทีเพราะได้รับความยินยอมเห็นชอบจากท่านผู้ใหญ่ของฝ่ายพี่สาวแล้วคงไม่มีใครปฏิเสธอีกได้นาการเวลาอันเป็นมหามงคลที่สุดในชีวิตของชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ได้คิดฝันมาก่อนเลยว่า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 คือแผ่นดินประหลาดในหุบเขาพระศิวะตำแหน่งนี้เขาทั้งคู่บัดนี้ยืนประสานสายตากันนิ่งมือทั้งสองจับกันไว้แน่นไม่ยินยนและมองไม่เห็นภาวะแวดล้อมรอบกายในขณะนี้ไปชั่วขณะหนึ่งและที่สุดของที่สุดพี่ก็ได้ตัวเจ้ากลับคืนมาในอ้อมอกแล้วจิตรางคนางภายหลังจากด้น้นด้นติดตามมาทุกชาติทุกภพ ต่อแต่นี้ไปแม้แต่ความตายก็จะไม่มีวันทําให้เราพลัดพรากจากกันอีกแล้วฝ่ายหนึ่งพูดด้วยกระแสจิตเพคะอคเนรุต ha, นับแต่นี้เป็นต้นไปหม่อมชั้นก็จะไม่พระนีจจากพระองค์ไปอีกแล้ววิญญาณของเราทั้งคู่จะอยู่ใกล้สนิทแนบกันตลอดไปทุกชาติทุกภพอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบมาด้วยกระแสจิตเช่นกัน เจ้าให้สัญญากับพี่ไว้แล้วนะหม่อมชั้นขอถวายสัญญาเจ้าอภัยโทษให้แก่พี่แล้วหม่อมชั้นทรมานวิญญาณของตนเองและพระองค์มานานแสนานานแล้วพระองค์ก็ได้ชดใช้กรรมนั้นหมดสิ้นแล้วความหลังในครั้งนั้นจะเหลือไว้เป็นอนุสอ์เตือนความรักอันมั่นคงของเราทั้งคู่หาใช่การที่จะคงเหลือไว้เพื่อความเคียดแค้นพยาบาทใดๆอีกแล้วไม่ ขอย้ำอีกครั้งพี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะปิดปรงพระชนชีพของพระราชบิดาของเจ้าเลยที่กระทำลงไปก็เพราะความเข้าใจผิดโดยแท้หม่อมชั้นอย่างทราบดีแล้วตั้งแต่ในยุคนั้นหาไม่เช่นนั้นณสนทยาย่ำที่เราออกมาประจันหน้ากันหน้าประตูเมืองปัญจานหอกในมือของหม่อมชั้นก็คงจะเสียบตลอดพระอุระของพระองค์แล้วคงไม่ปล่อยละเอาไว้ และตนเองกลับไปดื่มน้ำยาพิษฆ่าตัวเองหรอกขอถามสักนิดน่าสายันการที่เราเผชิญหน้าฉะไหนเจ้าจึงไม่บอกให้พี่รู้สักนิดว่าเวลานั้นพระเจ้าอาชัยสุริยายึดอำนาจปฏิวัติกลางศึกแล้วและตัวเจ้าเองกำลังตกอยู่ในฐาน ะ, ฉะเฉลยหากหม่อมชั้นบอกความจริงแก่พระองค์ไปในวาระนั้นพระองค์ก็คงจะต้องยึดตัวหม่อมชั้นไว้ คงไม่ยอมที่จะให้กลับเข้าไปสู่กองทัพสหราชาณาจักรอีกและหม่อมชันยามนั้นมีแต่ความแค้นพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะร่วมชีวิตด้วยจึงสู้บากหน้ากลับไปตายในกองทัพของพระเจ้าอาที่ทรยศหักหลังหม่อมชันเสียดีกว่าจิตตรังคนางในยุคนั้นไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วเพคะเอาละ่ะพี่เข้าใจและหมดข้อข้องใจที่เก็บเป็นปริศนาอยู่หลายชาติพบแล้ว จำมงกุฎไพรช่อนี้ได้หรือไม่วาระหนึ่งในครั้งกระโ น, น้นภายในถ้มคูหาหินกลางไพรพฤกพี่ได้เก็บดอกพฤกษชาติชนิดนี้มาร้อยเป็นมงกุฎและประดับให้บนเศียรของเจ้าและบัดนี้ในชาตินี้พี่ก็ได้สวมให้แก่เจ้าอีกวาระหนึ่งเพคคักหม่อมฉันยังจำสิ่งอันประทับลึกอยู่ในจิตวิญญาณครั้งนั้นได้ดีที่สุดไม่มีวันลืมเลือนเลย